แนะนำบทอัชัตบทอัชัตเป็นบทมักกิยามีแปดองค์การบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงความโปรดปัานอันมากมายของอัลลอฮ์ที่มีต่อเบาวและรอศูนย์ของพระองค์คือมูฮัมหมัดสอลลัลลัมอะลัยว่สันหลัมทั้งนี้ด้วยการเปิดหัวอกของท่านเพื่อการอิมานทำให้หัวใจของท่านมีรัศมีด้วยปรชยัชญาและความรู้และทำให้บริสุทธิ์จากบาปและความผิดต่างๆทั้งหมดนี้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 ขออัลลอฮที่ได้ประทานความโปรดปานให้แก่ท่านาด้วยพระนามของอัลลอฮผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเราไม่ได้เปิดหัวอกของเจ้าให้แก่เจ้าดอกหรือ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 ด, รรดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากการง่ายหนึ่งแล้วก็จงลำบากต่อไปและอย่างรพระผู้วิบากของเจ้าเท่านั้นจงมุ่งสู่ไปเถิด